สิกขาบทที่15ถามทรงบัญญัติทุกกฎแก่ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟือ้อถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะหรือบ้วนน้ำลายลงในน้ำณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบพวกภิกษุฉับพักขีถามเพราะเรื่องอะไรตอบ เพราะเรื่องที่พวกพิษุฉับพักขีถ่ายอุจจาระบ้างถ่ายปัสสาวะบ้างบ้วนน้ำลายบ้างลงในน้ำในสิกขาบทที่15นั้นมีหนึ่งพระบัญญัติหนึ่งพระอนุบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานหนึ่งสมุดฐานคือเกิดทางกายกับจิตมิใช่เกิดทางวาจาปาทุกกวักที่เจ็ด จบเสขิยวัตร75ดสิหสิกขาบทจบ